เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่สวันที่6 1ถึง 16, ความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดสังขารขันเป็นขันที่มีความพิสดารยิ่งมีการแปรขบวนเป็นต่างๆได้หลากหลายแม้แต่กรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขารขันดังนั้นสังขารขันคือสิ่งที่ทำให้เราๆท่านๆ ท, ทั้งหลายมีความแบ่งแยกแตกต่าง